ปูนกำแพงหลังคาของบ้านเรานะที่รอเราอยู่เนี่ยมันช่วยปกป้องนะร่างกายให้พ้นจากแดดจากฝนนะจากลมพายุแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะบ้านของใจด้วยบ้านที่รอเราอยู่เนี่ยมัน เพียงแต่ปกป้องรักษากายเราเท่านั้นแต่มันยังรักษาใจของเราไม่ได้มันให้ความสุขสบายทางกายเพราะติดแอร์ติดพัดลมนะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายแต่มันยังให้ความสุขทางใจนะไม่ได้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 ก็อย่าลืมบ้านของใจด้วยถามตัวเองว่า เ, เรามีบ้านของใจหรือยังบ้านของใจเนี่ยนะถ้ามีแล้วนี่ประเสริฐมากเลยนะเพราะว่าจะตามเราไปทุกแห่งเลยไอ้บ้านของกายเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายตามเราไปได้บางคนก็คิดถึงบ้านเนี่ยไอ้ความคิดถึงบ้านเกิดขึ้นเพราะว่า มันเป็นบ้านที่สร้างด้ยอิฐสร้างด้วยปูนนะมันอยู่กับที่ไม่สามารถจะตามไปคุ้มครองให้ความสุขกับเราได้นะม่นำซ้ำในบ้านของกายเนี่ยนะวันดีคืนดีก็อาจจะมีคนยึดไปก็ได้อาจจะกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ตกเป็นของธนาคารบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ ตกเป็นของคนอื่นนะที่เข า, าคดโกงแต่บ้านของใจเนี่ยนะมันไม่มีใครเอาไปได้นะถ้ามีแล้วนะถ้าพบแล้วนี่มันไม่มีใครเอาไปได้แถมยังจะตามเราไปทุกที่มาวัดนะก็รู้สึกอบอุ่นเข้าป่าก็ยังอบอุ่นไปต่างประเทศ ก็ไม่รู้สึกว้าวเวไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ยังรู้สึกอบอุ่นบ้านของใจเนี่ยสาคัญมากแต่คนไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่เรามานี่คงจะเห็นความสงคัญนะบ้านของใจเนี่ยที่จริงเราทุกคนก็มีอยู่แล้วนะกายนี่แหละนะมันเป็นบ้านของใจนี่ ที่เราไม่เคยรู้จักแต่มาปฏิบัติที่นี่ก็คงจะเห็นแล้วนะว่าออมันเป็นบ้านของใจได้นะมันเป็นบ้านที่อยู่กับเราตลอดเวลาทำกายให้เป็นบ้านของใจนะใจเราจะได้ไม่ระหกระเหินบางครั้งใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับ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 เป็นอย่า ง, งานั้นซีเยอะนะไรบ้านใหม่ๆก็คล้ายๆกับเด็กใจแตกนะคือชอบท่องเที่ยวเด็กใจแตกนี่ไม่อ ย, อยากอยู่บ้านนะทีแรกก็สนุกดีใจนะเออได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านทีแมกก็เพลินนั่นนะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เที่ยวแล้วนะมันกลายเป็นกระเซาะกระเซิงไม่รู้ว่าจะ าหาที่พักพิงอย่างไรมันเที่ยวไปไหนนะก็เที่ยวไปท่องไปในอดีตทีแรกก็อาจจะท่องไปไปยังเหตุการณ์ที่เป็นความสุขให้ความสุขสนุกสนานรื่นเริงแต่เพอแป๊บเดียวมันพลัดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เจ็บปวด ที่เราต้องพัดพลากสูญเสียถูกโกงถูกทรยศถูกต่อว่าด่าทอหรือเหตุการณ์ที่เราทำความผิดพลาดบางอย่างกับผู้มีพระคุณปุพ ก, การีก็เลยเกิดความโกรธความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความรู้สึกผิด แล้วก็จมหลงอยู่ในอารมณ์นั้นแหละไม่สามารถจะกลับมาอย่างที่ที่อบอุ่นปลอดภัยมั่นคงได้แต่ถ้าเราเนืรู้แน่แก่ใจว่าออมีบ้านของใจนะไปยังไงเนี่ยมันก็กลับมากลับมาแ้วถ้าหากว่าฝึกให้ใจเนี่ยนะ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 ถ้าใจอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยนะอย่างต่อนเนื่องนะไม่เป็นเด็กใจแตกนะก็จะจิตใจก็จะเบานะไอความเศร้าความโศกความอาลัยอาวรณ์ want, ความโกรธนะความพยาบาทความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็จะมารบกวนนะจิตใจไม่ได้บางทีมันล่อนมะันมาล่อมามาหยอกมาหลอกนะมันมันล่อมันหลอก คนเราก็ถ้าไม่มั่นคงในบ้านตัวเองนะถ้าใจมันไม่อยู่กับกายนะมันก็จะหลงเชื่อนะโจนเข้าหาความเศร้าโจนเข้าหาความโศกความโกรธความอะไรเอาวอน ท, ท, ทั้งๆที่มันไม่น่าจะโจนเข้าหาเลยนะแต่ใจนี่มันก็อดไม่ได้ที่จะโดดเข้าไปเพราะว่าลืมตัวเพราะเผลอ หรือว่าเพราะหลงก็ตามความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะไม่มีใครชอบอนะความเจ็บความปวดหรือแม้แต่ความเมื่อยแต่พอเกิดขึ้นทีไรนะใจมันก็โจนเข้าไปหาท่านั้นคิดเป็นแค่ปวดกายคล้ายๆกับว่ามันมาล่อมาหลอกนะอยู่หน้าบ้านนะไอ้ความปวดเมาล่อมาหลอกไอ้ใจมันก็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 คลึงนิ้วนะพลิกมือไปพลิกมือมาหรือว่ายกมือเนี่ยใจมันอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นแต่เป็นหลักยึดเนะี่ยมันก็ไม่โจนเข้าไปจมปลักหรือว่าจดปักตึงอยู่กับความเจ็บความปวดกายปวดก็ปวดไปนะท้องปวดก็ปวดไปนะแต่ว่าใจไปปกติเพราะว่ามีหลักมียึดหรือผู้อื่นนั่นคือมีบ้านนะมันอยู่ในบ้านมันไม่ออกมาเพ่นพ่านนะไม่หลงเชื่อไอ้ความปวดที่มา มาเยามายวนนะมาชวนมาชวนอะไรมาชวนให้ใจทุกข์มันไม่มีอะไรไม่มีใครในที่ยวทำให้มาบังคับใจให้ทุกข์ได้นะลองพิจารณาดูดีไม่มีอะไรไม่มีใครที่มาบังคับใจให้เป็นทุกข์ได้นะมันมีแต่มาชวนนะมาหลอกนะมาเชิญให้เราเป็นทุกข์ให้เราไม่พอใจให้เราโกรธอาจจะเป็นคําดา ม่ว่าจะเป็นความเจ็บความปวดที่กายไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศคำต่อว่าด่าทอของผู้คนอันนี้มันไม่สามารถบังคับยัดเยียดให้เราทุกข์ได้มันมีแต่มาชวนให้เราให้เราโกรธให้เราโมโหให้เราทุรนทุรายแต่ถ้าเราไม่รับคำชวนไม่รับคำเชิญนะไม่หลงเชื่อคำการหลอกการล่อของมันนะ มันมาชวนอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่ออกจากบ้านยังอยู่ในบ้านอยู่ก็คื อ, อยังอยู่กับกายจะทุกข์ได้ยังไงขณะที่เขาต่อว่าด่าทอเราเออใจเรามาอยู่กับลมหายใจบางใจเรามาอยู่กับกับกายพลิกมือไปพลิกมือมามันใจจะทุกข์ได้ยังไงนะเสียงด่าที่มากระทบหูนะเพราะว่าใจไม่ไปผสมลงใจไม่ยอมออกไปให้เขาหลอกให้เขาล่อให้เขาทําร้าย พยายามหาบ้านนะพยายามชวนนะให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่บ้านพอใจในการอยู่บ้านอยู่กับกายที่จริงบ้านจริงๆเนี่ยคือปัจจุบันขณะนะปัจจุบันขณะบางครั้งเราก็อาจจะอ่ามีอะไรให้ต้องทํานีมีงานต้องทํากวาดบ้านถูพื้นล้างจานหรือว่าคิดงานคิดการอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นงานที่เรากําลังทำํำนะ เป็นงานที่เราสมควรทําต้องทําเนี่ยมันก็เรียกเป็นปัจจุบันได้เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันนะใจก็จะปลอดภัยเนะีเป็นสุขสงบเย็นไนอะ้ที่ทุกทุกวันนี้เพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะมันไปอยู่กับอดีตต้องไปอยู่กับอนาคตบ้างแล้วก็หลงนะอยู่ในวังวนนะแห่งอารมณ์พอพอคิดถึงอดีตก็เศร้าโศกโกรธแค้นอะไรอาวรณ์ รู้สึกผิดพอไป น, นึกถึงอนาคตนึกไม่เป็นนะมันก็เกิดความกังวลกระวนกระวายเกิดความกลัวลองดูนะเวลาเรากลัวเวลาเรากังวลเวลากระว น, กระ ว, นกระวายเนะี่ยก็เพราะใจมันไป น, นึกถึงอดีตอาไป น, นึกถึงอนาคตแล้วมันก็ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้มันบวหลงวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องรู้จักหาใจให้เจอนะพาใจกลับมาบ้านมีบ้านของใจแล้วเนะี่ยก็คือกายคือปัจจุบันขณะ แต่ว่าใจมันกลับบ้านไม่ได้มันหลงวนอยู่ในหรือเร า, าหลงป่าหลงทางก็ได้ป่าอารมณ์นะอารมณ์เศร้าโศกเสียใจโกรธเหมือนกับเด็กหลงทางเด็กหลงป่าเนี่ยนะพ่อแม่ต้องไปตามนไปตามให้กลับมา ใ, ใจเราก็เหมือนกันนะมันหลงขณะที่พูดอยู่นี้ใจบางทีเราก็หลงไปแล้วนะหลงไปในอดีตบ้างอนาคตบ้าง พาใจกลับมาพาใจกลับบ้านอะไรที่จะพาใจกลับบ้านคือสติสตินี่เป็นตัวที่ฉลาดนะในการตามหาใจถ้าเราฝึกสติดีๆก็จะตามหาใจได้เก่งมากเลยใจมันหลงอยู่ในอดีตอนาคตนะจะอยู่ในป่าอารมณ์ที่มันซับซ้อนลึกลับยังไงเนี่ยสติก็มีปัญญาหาเจอนะ แล้วก็พากลับมาสู่บ้านบ้านของใจฝึกสติเอาไว้นะฝึกสติไว้ไอ้สติที่เรามีอยู่เนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยหรือก่อนที่มาปฏิบัติเนี่ยนะมันเป็นสติที่งุ่ม ง, งามนะไม่ฉลาดในการหาใจให้เจอได้ใจก็จมอยู่ในนะความคิดในอารมณ์ตัวบางที่ออกมาไม่ได้นะออกมาไม่ได้คือเป็นบ้า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 อย่างเช่นพวกที่ตกอยู่ในโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นภาวะอารมณ์ที่เขารู้สึกทรมานมากออกมาไม่ได้ออกมาได้นิดหน่อยแล้วก็ถูกมันล่อร้อยเข้าไปใหม่สุดท้ายก็เลยต้องนะกินยาฆ่าตัวตายผูกคอตายบ้างเพราะคิดว่านั่นแหละคือทางเดียวที่จะออกมาหรือหลุดจากภาวะนั้นได้แต่จริงๆไม่ต้องทำขนาดนนะั้นหรือไม่มันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยนะ ถ้าเพียงแต่มีสติเนี่ยสตินี่แหละมันจะพาจิตที่มาหลงอยู่ในเขาวงกฎเนี่ยอยู่ในป่าที่ลึกลับซับซ้อนออกมาได้ออกมาที่ไหนออกมาอยู่กับอยู่กับกายเราชวนให้คนที่มีตกอยู่ในภาวะเหล่านั้นเนี่ยนะให้ทำอะไรก็ได้นะที่มันที่มันเป็นการใช้กายเช่นออกกำลังกายเวลาออกกำลังกายเนี่ยก็ให้ใจอยู่กับการออกกำลังกายนะ ให้ทำสวนทำแล้วก็ได้ก็ตามที่ใช้กายและให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายก็คือว่าให้ใจมันมีบ้านใหม่หมใจมันก็ไ ม, ไม่ไม่อยากอยู่บ้านนะมันอย่างที่ว่าคือม่เด็กใจแตกหรือไม่ก็ถูกลออถูกหล อ, อกนะจากวิชาชีพที่มันมาชักชวนอยู่หน้าบ้านนะก็หลอกทุกทีหลอกทุกครั้งก็ไปทุกครั้งนะแต่ว่าพอ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 สังเกตนะใหม่ๆใจมันไม่อยากจะอยู่หรอกมันไม่ชอบที่จะอยู่อยู่บ้านนะมันจะออกไปเที่ยวแต่ทําไปทําไปเนี่ยเขาจะชอบเพราะว่าอยู่แล้วเนี่ยใจมันอบอุ่นใจรู้สึกมั่นคงใจรู้สึกปลอดภยัยใจรู้สึกเบาสบายสงบเย็นตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดฉั้นท่าขึ้นแต่ต้องทําให้เขาสวยเป็นบ้านจริงนะบ้านก็คือที่ที่เขามีอิสระที่จะออกบ้านเนี่ยคือที่ที่เรามีอิสระที่จะมา อิสระที่จะไปได้้ากว่าถูกบังคับให้อยู่ตรงนั้นไม่เรียกว่าบ้าแล้วมันจะเป็นคุกแทนถ้าเราบังคับจิตให้อยู่กับกายนะพยายามบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจพยายามบังคับให้จิตอยู่กับมือด้วยการเพ่งมันด้วยการบังคับจิตให้อยู่กับเท้าเนี่ยบังคับจิตให้อยู่กับคำบริกรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยจิตจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่บ้าแล้วอันนี้คือคุก นะคคกก็คือที่ที่ไม่มีอิสระที่จะไปที่จะมามันสบายแค่ไหนมันก็เป็นแค่กรงทองนะสำหรับนกนะนกทุกตัวเนี่ยกรงทองนะกรงเพชรนะมันก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่ามันไม่มีอิสระไม่มีเสรปภาพมันจะไม่เรียกกรงทองว่าบ้านเด็กขาดนะนะมนุษย์เราก็เหมือนกันนะอะไรก็ตามที่ถูกบังคับให้อยู่ตรงนั่นตรงนี้เนี่ย มันก็ไม่ใช่บ้านกายเนี่ยมันจะไม่ใช่บ้านของใจงมันจะกลายเป็นคุกไปต้องให้อิสระนะกับใจที่จะออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความสุขกการที่อยู่กับกายเขาก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากที่จะออกไปวิธีการฝึกให้ให้ให้มีสตินะที่รวดเร็วฉับไวในการพาใจเนี่ยกลับมาอยู่บ้านและพอใจในการอยู่บ้านคืออยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ย มันก็มีหลัก ง, ง่ายๆนะคือว่าเวลาทําอะไรก็ทําทีละอย่างนะ ท, ทําทีละอย่างเวลาอาบน้ํานะก็อาบน้ําอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่เวลากินข้าวก็กินข้าวอย่างเดียวนะไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเปิดไลน์ไม่ต้องเล่อน a c e b o o k หรือไม่ต้องคิดงานคิดการเวลาเดินขึ้นบันไดเวลาเดินไปหน้าปากซอยก็เดินอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดอะไร ตรงนี้แหละที่จะทำให้ใจเนี่ยนะมันอยู่กับกายได้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทุกวันนี้ปัญหาคนเราคือว่าทำหลายอย่างพร้อมกันขณะที่อาบน้ำก็ก็คิดนะทำเมนูอาหารแล้วเออวันนี้จะจะทำอะไรเลี้ยงลูกดีวันนี้จะทำอะไรถวายพระดีนี่เราทำสองอย่างแล้วเวลากินข้าวก็คิดไปด้วยนะวางแผนเรื่องงานเรื่องการเวลาทำงานแทนที่จะทางานเฉพาะหน้า ก็คิดถึงงานชิ้นอื่นด้วยเราจะมีงานสิบชิ้นหรือว่ายี่สิบชิ้นก็ตามที่คาอยู่เวลาทำงานอะไรก็ตามก็ทำงานแต่ชิ้นนั้นแหละนะทำาทีละอย่างทำทีละชิ้นนะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ชอบทำอะไรที่มันง่ายเราชอบทำอะไรที่มันยากก็เลยทำหลายอย่างพร้อมกันเวลาทำงานก็นึกถึงลูกไปด้วยนะเวลาอยู่กับลูกก็นึกถึงงาน มันก็เลยไม่ได้เลสักอย่างลองฝึกดูนะใหม่ๆใจไม่ชอบหรอกเพราะาใจมันถนัดในการที่ทำหลายๆอย่างบางทีนะทำงานไปก็บน่ไบนไปก็มีอันนี้ก็เรียกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันนะทำไปบน่นไปทำไปบน่บนไปบน่นใครบน่นเพื่อนบน่บนเจ้านายอันนี้ก็ถือว่าทำสองอย่างนะแล้วเลยก็เลยเหนื่อยสองอย่างเลยเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วย ถ้าทาถ้าทาทีะอย่างนะั้นทาไปใจไม่บนนะใจก็อยู่กับงานคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะอู้งานหรือไม่เจ้านายก็จะไม่เป็นทมามาให้งานชิ้นนี้กับเราคนอื่นไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อเราต้องทําแล้วก็ใจเราก็อยู่กับงานชิ้นนั้นทาทีไรอย่างนะทําทไปบนไปเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายขับรถก็หงุดหงิดไปด้วยขณะที่ขับรถเนี่ยใจมันก็ไปคิด ถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าแล้วนะว่าเอยจะไปถึงที่ทํางานทันไหมจะไปประชุมทันหรือเปล่าตกเครื่องบินไหมจะไปส่งลูกทันเวลาไหมนะนี่เรียกว่าทำสองอย่างแล้วนะทําแค่ทีระยาะพอคือขับรถก็ขับรถนะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดแม้กระทั่งว่าเอจะทอดกรถินปีหน้าที่ไหนดีนะนะจะไปสร้างวัดที่ไหนดีปีหน้า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 ทำสองอยามกันนะแทนที่จะคิดเรื่องเดียวคิดหลายคิดหลายเรื่องพร้อมกันเลยะหลายคนก็เป็นอย่างเนี้ยคือมันคิดจับจดนะหรือบางทีก็เรื่อคิดเรี่นราดนะแต่ขณะที่ขับรถนี่ก็จะคิดเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ควรนะนะลองฝึกดูนะขับรถเนี่ยก็ขับรถอย่างเดียวนะอาจจะเปิดเทปธรรมะฟังบ้างก็เออเพื่อเตือนสติให้ใจก็มาอยู่กับปัจจุบนันแต่ไม่ใช่ไปฟังเทปธรรมะขณะขับรถนะฟังด้วยใจที่จดจอนี่มันก็ไม่ได้นะ แม้แต่เวลาฟังธรรมนี่ก็ฟังธรรมอย่างเดียวน ะ, อ, ะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องงานเรื่องการอย่าเพิ่งไปคิดโน่นคิดนี่น ะ, ะเวลาเราเวลาฟังก็ฟังอย่างเดียวแม้แต่จะไปรู้กายขณะฟังไปด้วยมันก็ยังไม่ถูกนะบางคนก็ฟังไปด้วยจเจริญสติไปด้วยโดยการรู้กายที่มือมือที่เคลื่อนไหวนะทำสองอย่างเนี้ยอย่างเงี้ย จริงๆเนี่ยถ้าฟังก็ฟังนด้วยใจเต็มร้อยนะตามนะตามคำบรรยายไปสะดุดตรงไหนก็จะไปติดตรงนั้น เ, นเพราะคำพูดบางประโยชน์ที่เราสะดุดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เป็นอดีตไปแล้วนะเราก็มีสติขอ่การฟังคืออยู่กับปัจจุบันตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็เก็บเอาไว้ก่อนนะระหว่างที่เราฟังเราก็มีสติการฟังไอการรู้กายนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นรอง แต่ถ้าจะเจริญสติก็เจริญสติไปการฟังก็เป็นเรื่องทีหลังนะลองที่เราเจริญสติยกมือคาพูดคําบรรยายก็สักแต่ว่าฟังผ่านๆไปนะไม่ใช่ฟังไปด้วยจเจริญสติรู้กายไปด้วยอันนี้ก็บทีก็สับสนนะให้หลักง่ายๆเนี่ยนะสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆคือทำทีละอย่างก็เหมือนกับเวลากินข้าวนะเราก็กินข้าทีละคา เวลาเดินแล้วก็เดินทีละก้าวเนะีเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทาทีละอย่างมันเป็นหลักง่ายๆนะที่เอามาใช้ถ้าทําเป็นนิสัยนี่นะสติเราก็จ ะ, จะเจริญสติเราก็จะไวใอ้ความทุกที่เกิดขึ้นนะสุขภาพที่ย่าแย่นั่ก็เพราะเนี่ยทาหลายอย่างพร้อมกันเวลากินข้าวใจก็นึกไปด้วยพอนึกถึงเรื่องงานเรื่องการนะนึกถึงว่าต้องมีประชุมนะผมก็จะรีบกินและรีบเคี้ยว พอรีบกินรีบเคียวนะไปนานๆ น, น, นะทำนี้เป็นนิสัยนะร่างกายก็แย่นะจะมีโรคบางอย่างที่รักษาก็ไม่หายมีคนหนึ่งเนี่ยแกชอบเคี้ยวข้าวเร็วมากเลยมือหนึ่งกินไม่ถึงห้านาทีก็ก็เลิกละเพราะว่ามีงานเยอะนะเวลาที่กินข้าวก็คิดถึงเรื่องงานเป็นผู้หญิงเก่งธุรกิจกิจการดูแลเยอะตอนหลังนี่สุขภาพก็แย่ งานการก็ไม่ค่อยไม่ค่อยราบพื่นเท่าไหร่มีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับลูกชายตอนหลังก็ลองทดลองนะะเคี่ยวข้าวช้าๆเคี่ยวข้าใช้าลงเวลาเคี้ยวข้าน่นี่กินข้าวใจมันก็นึกถึงงานมันก็จะเผลอกินเร็วๆเคี่ยวเร็วๆแต่พอบังคับใจว่าเออต้องเคี่ยวข้าวช้าๆนะใจมาอยู่มีสมาธิอยู่การเคี้ยวมันก็วางเรื่องงานเรื่องการไปได้ ใส่ใจกับคนที่กินข้าวด้วยอยู่ในร่วมโต๊ะด้วยเช่นลูกชายเริ่มโอภาปาใส่กับลูกชายในการเคียวข้าวช้าเราบอกว่าไอ้โรคหายใจไม่เต็มไม่เต็มท้องหรือว่าโรคปวดท้องก็หายไปแต่ก่อนกินยามเป็นสิบปีก็ไม่หายแต่พอเคี่ยวข้าวช้าลงขณะที่กินข้าวก็นึกถึงการกินข้า่อย่างเดียวนะ ท, ทําทีไรอย่างกินข้าวก็กินข้าวนะเรื่องงานเรื่องการ มีมากแค่ไหนวางเอาไว้ก่อนก็พบกัว่าแม้จะใช้เวลากินข้าวนานขึ้นนะแต่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็เป็นสุขมากขึ้นมีสมสติมากขึ้นใช้อารมณ์น้อยลงก็เลยโวยวายใส่ลูกน้องนะแต่ก่อนทำบ่อยๆตอนหลังก็ทำน้อยลงความสัมพันธ์กับลูกน้องก็ดีขึ้นกระจายงานให้ลูกน้องทำตัวเองก็มีเวลาว่างมากขึ้นมีเวลาว่างมาขึ้นมากขึ้นก็ สามารถพาพ่อแม่สามารถไปเยี่ยมพ่อแม่ได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวอะไรก็ดีขึ้นมาหลายอย่างนะเริ่มต้นจากการที่เวลากินข้าวก็กินอย่างเดียวนะไม่ต้องนึกอย่างอื่นแล้วพอวิธีที่บงังคับให้กินข้าวอย่างเดียวคือว่าเคียเค่ยวข้าวใ้ชาลงพอเคี่ยวข้าวชาลงเนี่ยใจยมันก็อยู่กับการกินมากขึ้นให้ทําทีละอย่างนี่มันมีอ น, นิสงส์มากนะลองให้เป็นกิจวัตรเป็นนิสัยแล้วจะพบว่ามันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงดีๆหลายๆอย่างตามมา แล้วก็ฝากเอาไว้ทอนนี้น ะ, ะช้านี้